พระไตรปิดกเล่มที่สองปาสราสิสูตรว่าด้วยกองบวงดักสัตว์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาทบิณฑิกาเศรษฐีเขตรุงสาววถีครั้งนั้นพระอานนท์กราบทูลอรัธนาพระผู้มีพระภาคให้เสด็จไปยังอาสมของรรมมะกัพรามเพื่อทรงอนุเคราะห์เหล่าภิกษุ ที่ปรารถนาจะฟังธรรมะจากพระผู้มีพระภาคสมัยนั้นภิกษุจำนวนมากนั่งสนทนาธรรมมีกาถาอยู่ในอาสมของ ร, รัมมกัพรามพระผู้มีพระภาคประทับยือนนอกซุ้มประตูทรงรอคอยให้ภิกษุสนทนากันจบเสียก่อนทรงทราบว่าการสนทนาจบลงแล้วจึงทรงกระแอมแล้วเคาะบานประตู ภิกษุเหล่านั้นเปิดประตูรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังอาสมของรามากกรามแล้วประทับนั่งบนพุทธาที่ปูราดไว้ครั้นแล้วจึงตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าเวลานี้เธอทั้งหลายนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรอะไรที่เธอทั้งหลายสนทนากันค้างอยู่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้งหลายรารกพระผู้มีพระภาคแล้วสนทนาธรรมีกถาค้างอยู่พอดีพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วภิกษุทั้งหลายข้อที่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิพด้วยศรัทธาประชุมสนทนาธรรมีคาถากันนั้นเป็นเรื่องสมควรเธอทั้งหลายผู้มาประชุมกัน มีกิจที่ควรทำสองประการคือ 1. การสนทนาธรรมข้อนี้หมายถึงสนทนาเรื่องกถาวัตถุสิบประการและ2การเป็นผู้นิ่งอย่างรระอริยะข้อนี้หมายถึงการเข้าฌานสมาบัติการสแสวงหาที่ไม่ประเสริฐภิกษุทั้งหลาย การแสวงหามีสองอย่างคือ 1. การสแสวงหาที่ประเสริฐ 2. การสแสวงหาที่ไม่ประเสริฐการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐเป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้ตนเองมีความเกิดเป็นธรรมดายัางสแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่อีกตนเองมีความแก่เป็นธรรมดา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 แกะไก่สุกรช้างโคมา้าลาทองเงินเรียกว่าสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ความตายความเศร้าโศกและมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านั้นเป็นอุปทิผู้ที่ติดพันลุ่มหลงเกี่ยวข้องในอุปธิเหล่านั้นชื่อว่าตนเองมีความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ ความตายความเศร้าโศกและความเศร้าหมองเป็นธรรมดาก็ยังสแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเป็นต้นนั้นอยู่อีกนี่คือการสแสวงหาที่ไม่ประเสริฐสำหรับคำว่าอุปทิในที่นี้หมายถึงกามากุลห้าประการคือรูปเสียงกลิ่นรสและผลทพะ การสแสวงหาที่ประเสริฐการสแสวงหาที่ประเสริฐเป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้ตนเองมีความเกิดเป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาย่อมสแสวงหานิพพานที่ไม่มีความเกิดไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าและกเกมจักโยคะตนเองมีความแก่เป็นธรรมดา ทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดายอมสแสวงหานิพพานที่ไม่มีความแก่ไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าและกเกษมจากโยคะตนเองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความเศร้าโศกเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาทราบชัด ถ, ถึงโทษในความเจ็บไข้ความตายความเศร้าโศก และความเศร้าหมองเป็นธรรมดาย่อมสแสวงหานิพพานที่ไม่มีความเจ็บไข่นิพพานที่ไม่มีความตายนิพพานที่ไม่มีความเศร้าโศกและนิพพานที่ไม่มีความเศร้าหมองไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าลัทธเสมจากโยคันี่คือการสแสวงหาที่ประเสริฐภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตย์ยังไม่ได้ตรัสรู้ ตนเองมีความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ความตายความเศร้าโศกความเศร้าหมองเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่ตนเองมีเป็นธรรมดานั้นอยู่เราจึงคิดอย่างนี้ว่าฉะนั้นเรายังแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดความแก่เป็นธรรมดาเป็นต้นนั้นอยู่อีกทางที่ดีเราเองมีความเกิดความแก่ ความเจ็บไข้ความตายความเศร้าโศกและความเศร้าหมองเป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาเป็นต้นนั้นแล้วควรแสวงหานิพพานที่ไม่มีความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ความตายความเศร้าโศกและความเศร้าหมองไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าและเกษมจักโยคะพุทธประวัติตอนบำเพ็ญสมาบัติ ในสำนักอาลาระดาบทภิกษุทั้งหลายในการต่อมาเรายังหนุ่มแน่นแข็งแรงมีแกศาดำสนิทอยู่ในปฐมวัยเมื่อพระราชมารดาและพระราชบิดาไม่ทรงปรารถนาจะให้ผนวดมีพระพักนองด้วยน้ำพระเนศทรงกันแสงอยู่จึงโกนผมและหนวดนุ่งหมผ้ากาสาวพัดออกจากวังผนวดเป็นบนรรพชิต เมื่อผนวดแล้วก็สแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลขณะที่สแสวงหาทางอันประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าได้เข้าไปหาอาราระดาบทกาลามโคดแล้วกล่าวว่าท่านกาลามะข้าพเจ้าปรารถนาจะประพฤติปรุงมาจันในธรรมวินัยนี้เมื่อเรากล่าวอย่างนี้อารารดาบทกาลามโคดจึงกล่าวกับเราว่าเชิญท่านอยู่ก่อน ธรรมะนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับธรรมะที่วินยูชนจะพึงทาให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองตามแบบอาจารย์ของตนเข้าถึงอยู่ได้ในเวลาไม่นานจากนั้นไม่นานเราก็เรียนรู้ธรรมะนั้นได้อย่างรวดเร็วชั่วขณะปิดปากจบเจรจาปราศัยเท่านั้นก็กล่าวยานวัฏทะและเทรวาทะได้ทั้งเราและผู้อื่นก็ทราบชัดว่าเรารู้เราเห็น เราจึงคิดว่าอาลาระดาบทกลามโคดประกาศธรรมะนี้ด้วยเหตุเพียงความเชื่ออย่างเดียวว่าเราทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ก็หามิได้แต่อาลาระดาบทกาลามโคตอย่างรู้ยังเห็นธรรมะนี้อย่างแน่นอนจากนั้นเราจึงเข้าไปหาอาลาระดาบทกาลามโคดแล้วถามว่าท่านกาลามะ ท่านประกาศธรรมะนี้ว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่เมื่อเราถามอย่างนี้อาลารดาบทกลามโครจึงประกาศอากินจัญญายตนะสมาบัติแก่เราเราจึงคิดว่ามิใช่แต่อาลารดาบทกลามาโคดเท่านั้นที่มีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญา แม้เราก็มีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาทางที่ดีเราควรบำเพ็ญเพียรเพื่อทําให้แจ้งธรรมะที่อาราลดาบทกาลามโคสประกาศว่าข้าพเจ้าทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นไม่นานเราก็ทําให้แจ้งธรรมะนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ จากนั้นเราจึงเข้าไปหาอาลารดาบทกาลามโคดแล้วถามว่าท่านกาลามะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมะนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรืออาลารัดาบทกาลามโคตตอบว่าท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าประกาศด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละเราจึงกล่าวว่าท่านกาลามะ แม้ข้าพเจ้าก็ทำให้แจ้งธรรมะนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ข้อนี้คือการแสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์ทรงปฏิบัติตามและสำเร็จวิชาสูงสุดของสำนักนี้แล้วอาลารดาบทกลามโคดกล่าวว่าท่านผู้มีอายุเป็นลาภของพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าได้ดีแล้วที่ได้พบเพื่อนปรมจารีเช่นท่าน รากข้าพเจ้าประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมะใดท่านก็ทำให้แจ้งธรรมะนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านทำให้แจ้งธรรมะใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ข้าพเจ้าก็ประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมะด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่เช่นกันข้าพเจ้าทราบธรรมะใดท่านก็ทราบธรรมะนั้นท่านทราบธรรมะใด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 และบูชาเราด้วยการบูชาอย่างดีด้วยประการอย่างนี้แต่เราคิดว่าธรรมนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อต ร, รัสรู้และเพื่อนิพพานเป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงอากินจัญญายตนะสมาบัตเท่านั้นเราไม่พอใจเบื่อหน่ายธรรมนั้นจึงลาจากไป ภิกษุทั้งหลายเรานั้นสแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลขณะที่สแสวงหาทางอันประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าได้เข้าไปหาอุทธกาดาบทอรามบุตรและกล่าวว่าท่านรามะข้าพเจ้าปรารถนาจะประพฤติพรมจรรย์นในธรรมวินัยนี้เมื่อรกล่าวอย่างนี้อุทธกัดาบทอรามบุตรจึงกล่าวกับเราว่า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 เรารู้เราเห็นเราจึงคิดว่าอุตกะดาบทรามบุตรประกาศ ธ, ธรรมะนี้ด้วยเหตุเพียงความเชื่ออย่างเดียวว่าเราทาให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ก็หาไม่ได้แต่อุตกะดาบทรามบุตรยังรู้ยังเห็นธรรมะนี้ด้วยอย่างแน่นอนจากนั้นเราจึงเข้าไปหาอุตกะดาบทรามบุตรแล้วถามว่าอ่ารามะท่านประกาศว่า ข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมะนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเมื่อเราถามอย่างนี้อุตตกาตาบทรามบุตรจึงประกาศเนวสัญญาณสัญญายตนะสมาบัติแก่เราเราจึงคิดว่าไม่ใช่แต่อุตตกดาบทรามบุตรเท่านั้นที่มีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาแม้เราก็มีเช่นกันทางที่ดี เราควรเริ่มบําเพ็ญเพียรเพื่อทําให้แจ้งธรรมะที่อุตกะดาบทรามบุตรประกาศว่าข้าพเจ้าทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นไม่นานเราก็าได้ทําให้แจ้งธรรมะนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นเราจึงเข้าไปหาอุตกระดาบทรามบุตรแล้วถามว่าท่านรามะท่านประกาศว่า ข้าพเจ้าทําให้แจ้งธรรมะนี้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรืออุทกกดาบทรามบุตรตอบว่าด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละเราจึงกล่าวว่าแม้ข้าพเจ้าก็ทําให้แจ้งธรรมะนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อุทะกดาบทรามบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุเป็นลาบของพวกข้าพเจ้า พวกข้าพเจ้าได้ดีแล้วที่ได้พบเพื่อนพรมจารีเช่นท่านเพราะข้าพเจ้ารามะประกาศว่าข้าพเจ้าทําให้แจ้งธรรมะใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านก็ทําให้แจ้งธรรมะนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ข้าพเจ้าทราบธรรมะใดท่านก็ทราบธรรมะนั้นท่านทราบธรรมะใดรามะก็ทราบธรรมะนั้นเป็นอันว่า รามะเป็นเช่นใดท่านก็เป็นเช่นนั้นท่านเป็นเช่นใดรามะก็เป็นเช่นนั้นมาเถิดบัดนี้ท่านจงบริหารคณะนี้ภิกษุทั้งหลายอุตะกะดาบทรามบุตรทั้งที่เป็นเพื่อนพระมจารีของเราก็ยกย่องเราไว้ในฐานะอาจารย์และบูชาเราด้วยการบูชาอย่างดีด้วยประการอย่างนี้แต่เราคิดว่า ธรรมะนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานเป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงเนวะสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเท่านั้นเราไม่พอใจเบื่อหน่ายธรรมะนั้นจึงลาจากไปตรัสรู้สัจธรรม ภิกษุทั้งหลายเรานั้นสแสวงหาว่าอะไรเป็นกุสลขณะที่สแสวงหาทางอันประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าเมื่อเที่ยวจาวริกไปในแคว้นมคธโดยลำดับได้ไปถึงตำบลอุรุเวนาเซนานิคมเราจึงคิดว่าภูมิประเทศนี้เป็นที่เหมาะแก่การบําเพ็ญเพียรของกุลระบุตผู้ปรารถนาจะบาเพ็ญเพียรเราจึงนั่งณที่นั้น ด้วยคิดว่าที่นี้เหมาะแก่การบําเพ็ญเพียรภิกษุทั้งหลายเราเองมีความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ความตายความเศร้าโศกความเศร้าหมองเป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ความตายความเศร้าโศกความเศร้าหมองเป็นธรรมดาแล้วแสวงหาจนได้บรรลุนิพพาน ที่ไม่มีความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ความตายความเศร้าโศก ค, ความเศร้าหมองไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าและกเกษมจัดโยคะทั้งญาณทัศนะได้เกิดแกเราว่าวิมุตของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกภิกษุทั้งหลายเรานั้นได้มีความดําริ์ว่า ธรรมะที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบระณีตไม่เป็นวิสัยแห่งตักกะบัณฑิตเท่านั้นจึงจะรู้ได้ส่วนหมู่ประชาผู้รื่นรมด้วยอาไลยินดีในอาไลเพลิดเพลินในอาไลคือกามคุณห้าที่สัตว์ผัวพันยินดีเพลิดเพลินเป็นชื่อเรียกกิเลสสองอย่างคือกามคุณห้า และตัณหาวิจิตรฐานะที่หมูสัตว์ผูรื่นรมด้วยอาไลยินดีในอาไลเลิ่ดเลินในอาไลนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือหลักอิทัปัจยตาหลักปฏิจจสมุติบาทถึงแม้ฐานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือความสงบแห่งสังขารทั้งปวงความสลัดทิ้งอุปทิทั้งปวง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 เรายังไม่ควรประกาศธรรมะที่เราบรรลุด้วยความลำบากเพราะธรรมะนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ถูกราคะและโทสะครอบงำจะรู้ได้ง่ายแต่เป็นสิ่งพาทวนกระแสละเอียดลึกซึ้งรู้เห็นได้ยากประณีตผู้กำหนัดด้วยราคะถูกกองโมหะหุ้มห่อไว้จะรู้เห็นไม่ได้ คำว่าพาทวนกระแสในที่นี้หมายถึงอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาและอสุภะคือไม่งามอันทวนกระแสแห่งธรรมมีความเที่ยงเป็นต้นในพระวินัยปิฎกหมายถึงพาเข้านิพพานสหบดีพรมอารัธนาแสดงธรรมภิกษุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาดังนี้ จิตก็น้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อยมิได้น้อมไปเพื่อแสดงธรรมครั้งนั้นสามวดีพรมทราบความดำริในใจของเราด้วยใจของตนจึงได้มีความเริ่มพึงว่าท่านผู้เจริญโลกจะชิบหายหนอโลกจะพินาศหนาเพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงน้อมพระไทยไปเพื่อความขวนขวายน้อยมิได้น้อมพระไทยไปเพื่อทรงแสดงธรรม ลำดับนั้นสหัมวดีพรมอันประธานจากพรมโลกมาปรากฏหน้าเบื้องหน้าเราเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นและหุมอุตราสงเฉวียงบากข้างหนึ่งประนมมือมาทางที่เราอยู่ได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์พุทเจริญขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดแสดงธรรมขอพระสุคตเจ้าได้โปรดแสดงธรรม เพราะสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตาน้อยมีอยู่สัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมเพราะไม่ได้สดับธรรมสัตว์เหล่านั้นจะเป็นผู้รู้ทั่วถึงธรรมผู้มีทุลีในดวงตาน้อยหมายถึงมีทุลีคือราคะโทสะโมหะเบาบางคือเล็กน้อยปิดบังดวงตาคือปัญญา สหมบดีพรมได้ทูลอรัตนาดังนี้แล้วได้ทูลเป็นคาถาประพันธ์ต่อไปว่าในการก่อนธรรมะที่ไม่บริสุทธิ์อันคนที่มีมนทินคิดค้นไว้ปรากฏในแคว้นมคธคนที่มีมนทินในที่นี้หมายถึงครูทั้งหกผู้เป็นเจ้าลัทธิในสมัยนั้นพระองค์โปรดเปิดประตูอมตะรธรรมนั้นเถิด ขอสัตว์ทั้งหลายจงฟังธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากมณฑินได้ตรัสรู้แล้วข้าแต่พระองค์ผู้มีพระปัญญาดีมีพระสมนตจักสุบุรุษผู้ยืนอยู่บนยอดเขาสิลาล้วนจึงเห็นหมู่ชนได้โดยรอบแม้ชั้นใดพระองค์ผู้หมดความเศร้าโศกแล้วโปรดเสด็จขึ้นสู่ประสาสต์คือธรรมะจะได้เห็นหมู่ชน ผู้ตกอยู่ในความเศร้าโศกและถูกชาติชราครอบงำได้ชัดเจนฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรผู้ชนะสงครามผู้นําหมู่ผู้ไม่มีหนี้ขอพระองค์โปรโดลุกขึ้นเสด็จจาริกไปในโลกข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรโดสแสดงธรรมเพราะสัตว์ทั้งหลายจะเป็นผู้รู้ทั่วถึงธรรม ผู้ชนะสงครามหมายถึงชนะเทวบุตรมารมัจุมารและกิเลสมารผู้นำหมูหมายถึงสามารถนำสัตว์ข้ามที่กันดารคือชาติความเกิดและสามารถเป็นผู้นำของหมูสัตว์คือเวนัยสัตว์ผู้ไม่มีหนี้หมายถึงไม่มีหนี้คือกามาฉันทะเวนัยสัตว์เปรียบด้วยดอกบวกัว ภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นเรารับคําทูลอรัตนาของพรมและเพราะความมีกรุณาในสัตว์ทั้งหลายจึงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักสุพุทธจักสุหมายถึงอินทริยะปะโรปาริยติยานคือปรีชาอย่างรู้ความยิ่งและความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายคือรู้ว่าสัตว์นั้นๆมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา แค่ไหนเพียงใดมีกิเลสมากกิเลสน้อยมีความพร้อมที่จะตรัสรู้หรือไม่และอีกความหมายหนึ่งคืออาศยานุสยญยาณยคือปริชายอย่างรู้อัธยาศัยความมุ่งหมายสภาพจิตที่นอนเนื่องอยู่เมื่อตรวจดูโลกด้วยพุทธจักสุขได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตาน้อย ในที่นี้หมายถึงปัญญาจักษุมีทุลีในดวงตามากมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการซามสอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากบางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งน่ากลัวบางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งไม่น่ากลัวในกออุบลในกอปฐุมหรือในกอบุญทริก คือดอกบัวบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำยังไม่พ้นน้ำจมอยู่ใต้น้ำและมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้บางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำอยู่เสมอน้ำบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำอยู่พ้นน้ำไม่แตะน้ำแม้ฉันใดเราเมื่อตรวจดูโลกด้วยพุทธจักสุ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 เราจึงได้กล่าวคาถาตอบสหามบดีพรมว่าพรมสัตว์เราได้มีโสดประสาทจงปล่อยศรัทธามาเถิดเรามิได้ปิดประตูอมาตะธรรมสำหรับสัตว์เหล่านั้นแต่เรารู้สึกว่าเป็นการยากลำบากจึงไม่คิดจะแสดงธรรมอันประณีตที่เราคล่องแคล่วในหมู่มนุษย์ครั้งนั้นสหมบดีพรมทราบว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงประทานโอกาส เพื่อจะแสดงธรรมแล้วจึงถวายอภิวาสเรากระทำประทักษิณแล้วได้หายไปจากที่นั้นสำหรับหัวข้อนี้นอกจากบัวจมอยู่ในน้ำบัวอยู่เสมอน้ำและบัวพ้นน้ำสามเหล่านี้อธกะถาได้กล่าวถึงบัวเหล่าที่สคือบัวที่มีโรคยังไม่พ้นน้ำเป็นอาหารของปลาและเต่าซึ่งมิได้ยกขึ้นสู่บาลี แล้วแบ่งบุคคลเป็นสี่เหล่าคือ 1. นอุคติตันยูเป็นเหมือนบัวพ้นน้าที่พอต้องแสงอาทิตย์แล้วก็บานในวันนั้น 2. วิปจิตตันยูเป็นเหมือนบัวอยู่เสมอน้ำที่จะบานในวันรุ่งขึ้น 3. เนยยะเป็นเหมือนบัวจมอยู่ในน้ำที่จะขึ้นมาบานในวันที่สและสี่ปทะปรมะ เปรียบเหมือนบัวที่มีโรคยังไม่ผลน้ำไม่มีโอกาสขึ้นมาบานเป็นอาหารของปลาและเต่าเรื่องการแสดงธรรมครูอาจารย์รุ่นต่อมาได้อธิบายไว้นะครับว่าเป็นธรรมเนียมที่ตรัสรู้แล้วต้องมีผู้อารัธนาให้แสดงธรรมจึงจะสมควรแสดงเปรียบเหมือนการให้ของกับผู้ที่ต้องการเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่ผู้รับต้องเต็มใจน้อมรับถึงจะเกิดผลให้เข้าใจได้จริง หลายเรื่องนะครับที่แสดงให้เห็นว่าท่านทรงตรวจหาคนที่พร้อมจะบรรลุและจึงเสด็จไปโปรดหลายบุคคลท่านต้องรอให้ผู้ฟังพร้อมทั้งกายและใจรวมถึงสถานที่โอกาสที่สมควรจึงจะแสดงธรรมและตรัสไว้ชัดเจนว่าบางรายก็จะไม่ทรงแสดงให้ทราบในบางหัวข้อที่ไม่เหมาะกับจริตและปัญญาของเขาหรือไม่แสดงธรรมเลยกับบางคน เพราะเป็นบุคคลที่เกินกว่าจะโปรดสั่งสอนได้ในชาตินี้ทรงรำพึงถึงผู้ควรรับธรรมเทศนาภิกษุทั้งหลายเราดำริว่าเราควรแสดงธรรมแก่ใครหนอใครจะรู้ธรรมะนี้ได้ฉักพลันแล้วดำริต่อไปว่าอารารดาบทกาลามโคตรนี้เป็นบัณฑิต ฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญามีธุลีในดวงตาน้อยมานานทางที่ดีเราควรแสดงธรรมแก่อาลารดาบทกลามาโคตรก่อนเธอจะรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันครั้งนั้นเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหาเราและกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาลารดาบทกลามาโคตรรมกาละคือตายได้เจ็ดวันแล้วอนหนึ่ง เราก็ได้เกิดญาณทัศนะขึ้นว่าอาลารดาบทกาลามโคดทํากาละได้เจ็ดวันแล้วไปเกิดในอากินจัญญายตนะภไม่สามารถบรรลุธรรมได้ในตอนนี้จึงดําริ์ว่าอาลารดาบทกาลามโคดเป็นผู้มีความเสื่อมจากคุณอันยิ่งใหญ่แล้วหนอเพราะถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้ก็จะพึงรู้ได้ฉับพลันพึงบรรลุมรคนในปัจจุบัน เราจึงดํารติว่าเราควรแสดงธรรมแก่ใครหนอใครจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับปันจึงดําริต่อไปว่าอุทกดาบทารามบุตรนี้เป็นบัณฑิตฉลาดเจี๊ยบแหลมมีปัญญามีทุลีในดวงตาน้อยมานานทางที่ดีเราควรแสดงธรรมแก่อุทกดาบทารามบุตรก่อนเธอจะรู้ธรรมะนี้ได้ฉับปันลำดับนั้นเทวดาองค์หนึ่ง เข้ามาหาเราลักล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุทธกดาบทรามบุตรได้ทำกาละเมื่อวานนี้ห น, นึง่งเราก็ได้เกิดญาณทัศนะขึ้นว่าอุทธกดาบทรามบุตรได้ทำกาละเมื่อวานนี้ไปเกิดในเนวสัญญานาสัญญายตนะภ พ, พจึงดำริว่าอุทธกดาบทรามบุตรเป็นผู้มีความเสื่อมจากคุณอันยิ่งใหญ่แล้วหนอ เพราะถ้าเถอได้ฟังธรรมนี้ก็จะพึงรู้ได้ฉับฟันพึงบรรลุมรคผลในปัจจุบันสำหรับข้อนี้คือท่านทั้งสองได้เกิดในพรหมโลกชั้นสูงไม่สามารถฟังธรรมพิจารณาธรรมจนบรรลุธรรมได้และเป็นเวลา น, านานมากกว่าจะเกิดพระพุทธเจ้าได้พระองค์หนึ่งนะครับโอกาสที่จะได้เกิดมามีสภาวะจิตพร้อมที่จะบรรลุธรรมและได้เจอพระพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งที่ยากมาก หลังจากนั้นทรงดำริว่าเราควรแสดงธรรมแก่ใครหนอใครจักรู้ธรรมะนี้ได้จับปั น, นจึงดำริว่าภิกษุปัญจวคีมีอุปการะแก่เรามากที่ได้เป้าปรนิบัติเราผู้มุงบำเพ็ญเพียรทางที่ดีเราควรแสดงธรรมแก่ภิกษุปัญจวคีก่อนแล้วดำริตอไปว่าบัด น, นี้ภิกษุปัญจวคีอยู่ที่ไหนหนอ ก็ได้เห็นภิกษุปัญจรวคี่อยู่ที่ป่าอิสิปปตปตนาเมลึกขยาวันเขตกรุงพาราันศีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นเราพักอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาตามความต้องการแล้วจึงหลีกจาริกไปทางกรุงพารณาณสีภิกษุทั้งหลายอาชีวกับหรืออาชีวโคชื่ออุ ป, ปการ ได้พบเราผู้กำลังเดินทางไกลณระหว่างแม่น้ำขยากับต้นโพพึกได้ถามเราว่าอาวุโสอินทรีย์ของท่านผ่องใส ย, ยิ่งนักผิวพรุ์ของท่านบริสุทธิ์ผุดพองท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมะของใครเมื่ออุปการชีวกถามอย่างนี้แล้วเราจึงได้กล่าวคาถาตอบอุปการชีวกว่า เราเป็นผู้ครอบงามธรรมทั้งปวงรู้ธรรมทั้งปวงมิได้แปดเปื้อนในธรรมทั้งปวงละธรรมทั้งปวงได้สิ้นเชิงหลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหารัสรู้ยิ่งเองแล้วจะพึงกล่าวอ้างใครเล่าเราไม่มีอาจารย์เราไม่มีผู้เสมอเหมือนเราไม่มีผู้ทัดเทียมในโลกกับทั้งเทวโลกเพราะเราเป็นอารหันเป็นศ ส, สดาผู้ยอดเยี่ยมเราผู้เดียว เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นผู้เยือกเย็นดับกิเลสในโลกได้แล้วเราจะไปเมืองหลวงของชาวกาสีประกาศธรรมจักรตีกลองอมตะธรรมไปในโลกอันมีความมืดมนอุปการชีวกล่าวว่าอาวุโสท่านสมควรเป็นพระอนันตชินะตามที่ท่านประกาศแล้วจึงกล่าวตอบเป็นคาถาว่า จนเหล่าใดได้ถึงความสิ้นอาสวะแล้วชนเหล่านั้นย่อมเป็นพระชินะเช่นเราอุปปักกะเราชนะความชั่วได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าพระชินะเมื่อเรากล่าวอย่างนั้นแล้วอุปกาชีวกจึงกล่าวว่าอาวุโสควรจะเป็นเช่นนั้นกล่าวเสร็จโคลงศีรษะแล้วเดินสวนทางหลีกไป ทรงแสดงธรรมโปรดภิกษุปัญจวคีภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นเราจะริกไปโดยลำดับถึงปาอิสิต ป, ปตนะบริขายวันเกศกรุงพาราณสีได้เข้าไปหาภิกษุปัญจวคีถึงที่อยู่ภิกษุปัญจวคีเห็นเราเดินมาแต่ไกลจึงนัดหมายกันและกันว่าอาวุโสพระสมณโคโดมนี้ เป็นผู้มกักมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมกักมากกาลังเสด็จมาพวกเราไม่พึงกราบไหว้ไม่พึงลุกรับไม่พึงรับบาตรและจีวรของพระองค์แต่จะจัดอาสนะไว้ถ้าพระองค์ปรารถนาก็จัดประทับนั่งเราเข้าไปหาภิกษุปัญจวคีภิกษุปัญจวคีก็ลืมข้อนัดหมายของตนบางพวกต้อนรับเรา แล้วรับบาตรและจีวรบางพวกปูลาดอาสนะบางพวกจัดหาน้าล้างเท้าแต่ภิกษุปัญจะวะัคคีเรียกเราโดยออกนามและใช้คำว่าอาวุโสสําหรับคำว่าอาวุโสแปลว่าผู้มีอายุเดิมใช้เป็นคำเรียกกันเป็นสามัญคือภิกษุผู้แก่กว่าเรียกภิกษุผู้อ่อนกว่าหรือภิกษุผู้อ่อนกว่า เรียกภิกษุผู้แก่กว่าก็ได้เมื่อภิกษุปัญจวคี ก, กล่าวอย่างนั้นแล้วเราจึงห้ามภิกษุปัญจวคีว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าเรียกตถาคตโดยออกชื่อและใช้คําว่าอาวุโสตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเธอทั้งหลายจงเงี่ยโสวดสดับเราจะสั่งสอนอมตะธรรมที่เราได้บรรลุแล้วจะแสดงธรรม เธอทั้งหลายเมื่อปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งโรมจันที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเครือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้แน่แท้เมื่อเรากล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุบัรจะวะคีได้กล่าวกับเราว่าอาวุโสโคโดมแม้ด้วยจริยานั้น ด้วยปฏิปทานั้นด้วยทุกรัติีริยานั้นพระองค์ก็ยังมิได้บรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมะของมนุษย์บัดนี้พระองค์เป็นผู้มากๆคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆฉะนั้นจะบรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมะของมนุษย์ได้เล่า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 เธอทั้งหลายเมื่อปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนไม่นานนักก็จะทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ยังยืนยันกล่าวเช่นเดิมเรากล่าวเช่นนั้นอีกครั้งที่สองและแม้ครั้งที่สภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ยังตอบกลับมาเช่นเดิมเมื่อภิกษุปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนั้นแล้วเราได้กล่าวกับภิกษุปัญจวัคคีย์ว่า ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายยังจำได้หรือไม่ว่าถ้อยคาเช่นนี้เราได้เคยกล่าวแล้วในการก่อนแต่นี้ภิกษุปัญจบวัคคีจึงยอมรับว่าไม่เคยฟังถ้อยคาเช่นนี้มาก่อนเราสามารถทำให้ภิกษุปรญจบวัคคียินยอมฟังเราแสดงธรรมได้แล้วเรากล่าวสอนอิกษุสองรูปภิกษุสรูปก็เที่ยวบินทบาต เราทั้งหฉชันบินทบาทที่ภิกษุสมรูปนำมาเรากล่าวสอนภิกษุสามรูปภิกษุสองรูปก็เที่ยวบินทบาทเราทั้งหฉชันบินทบาทที่ภิกษุสองรูปนำมาต่อมาภิกษุปันจะวัคขีที่เราสั่งสอนและร่ำสอนอยู่อย่างนี้เป็นผู้มีความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ความตายความเศร้าโศกความเศร้าหมองเป็นธรรมดาทราบชัด ถึงโทษในสิ่งที่มีความเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเศร้าหมองเป็นธรรมดาจึงสแสวงหาจนได้บรรลุนิพพานที่ไม่มีความเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเศร้าหมองไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าแล ะ, กะเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมแล้วภิกษุปัญจวะคีเหล่านั้นได้เกิดญาณทัศนะขึ้นมาว่าวิมุติของพวกเราไม่กำเริบ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่มีอีกต่อไปภิกษุทั้งหลายการมคุณห้าประการคือรูปที่จะพึงรู้แจ้งทางตาเสียงที่จะพึงรู้แจ้งทางหูกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งทางจมูกรสที่จะพึงรู้แจ้งทางลิ้นผดทับพะที่จะพึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจ ชวนให้รักชักให้ใกล้ผ่าใจให้กำนัดสมณะหรือพราหม์พวกใดพวกหนึ่งไปฝันลุ่มหลงติดพันไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเครื่องสลัดออกบริโภคกามคุณห้าประการนี้บัณฑิตพึงทราบว่าสมณะพราหมูพวกนั้นเป็นผู้ถึงความเสื่อมความพินาศถูกมารใจบากทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบ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 ย่อมบริโภคกรารมคุณห้าประการนี้ในที่นี้หมายถึงปัญจเวกขณะยาณบัณฑิตพึงทราบว่าสมณพราหมพวกนั้นเป็นผู้ไม่ถึงความเสื่อมไม่ถึงความพิมนาตไม่ถูกมารใจบาปทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบอนหนึ่งเนื้อป่าเมื่อเที่ยวไปตามป่าใหญ่ย่อมวางใจเดินยืนนั่งนอนข้อนั้นเพราะเหตุไร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 ภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเวยสุขด้วยนามากายบรรลุตติยะฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเราเรียกภิกษุนี้ว่าผู้ทำให้มานตาบอดอีกประการหนึ่งพอละสุขละทุกข์ได้เพราะโสมนัรละโทมนัต ด, ดับไปก่อนแล้วภิกษุบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เราเรียกภิกษุนี้ว่าผู้ทําให้มานตาบอดอีกประการหนึ่งเพราะลวงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่กําหนดนานาตสัญญาโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุอากาศานัญจายตนะฌานอยู่โดยกําหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้เราเรียกภิกษุนี้ว่าผู้ทําให้มานตาบอด อีกประการหนึ่งเปราะลวงอากาสานัญจายตนาชาดโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุวิญญาณัญจายตนาชาอยู่โดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้เราเรียกภิกษุนี้ว่าผู้ทําให้มานตาบอดอีกประการหนึง่งเปราะลวงวิญญาณัญจายตนาชาดโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุอากินจัญญายตนาชาอยู่โดยกำหนดว่าไม่มีอะไร เราเรียกภิกษุนี้ว่าผู้ทําให้มานตาบอดอีกประการหนึ่งเพราะล่วงอากินสัญญายาตนาชาญโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนาชาญอยู่เราเรียกภิกษุนี้ว่าผู้ทําให้มานตาบอด hey ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งเพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนาชาญโดยประการทั้งปวง